ก็ได้ย่างเนื้อท่อนน้อยท่อนใหญ่ของสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นให้ไม่เป็นจุนบนเครือหวายนั่นเองสัตว์นรกบางพวกเมื่อเห็นสัตว์นรกพวกที่วิ่งไปก่อนนั้นได้เกิดการติดอยู่บนขวากหนามนั้นก็ได้มีความเกรงกลัว ไม่กล้าจะกระโดดลงไปนายนิรยาบาลก็ได้เอาแสบ้างดาบบ้างค้อนบ้างไล่หวดัสนกเมื่อเกิดความกลัวก็ต้องวิ่งกระโจนกระโดดลงไปบนเครือหวายแห่งนั้นท่านท้าพญายมราชอาตมาเห็นแล้วว่า สัตว์ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์ทรมานก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่านรกขุมอื่นๆเช่นกันเลยโอ้ดูทีเลยเหมือนกับว่าสัตว์เหล่านั้นนอกจากจะถูกคมหวายนั้นบาดร่างกายให้ขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็ยังมีเปลวไฟนรกบนเครือหวายนั้นไม่อวัยวะต่างๆเหล่านั้นอีกด้วยพวกเขาดูไม่ตายเลยนะใช่แล้วพระพรคุณเ <ขอ S 1> จ้าเออสัตว์นร ก, นรก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 บางตนมือขาดแล้วมือก็ยังกระดิกไปมาดูเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละพระคุณเจ้าครับเออข้าพเจ้าขอนีโมน์ท่านไปชมนรกคุมอื่นต่อไปเถอะครั บ, รบและพระเถระ ก็ได้เดินตามเท้ายมพบาลไปดูนรกคุ้มอื่นต่อไปไไจากนั้นเท้าพยายมราช ได้พาพระเถระไปยังนรกอีกขุมหนึ่งซึ่งเรียกว่าแดนขี้เถ้าหรือกุกุละนรกในนรกขี้เถ้านี้ก็จะมีก้อนขี้เถ้าใหญ่โตมากมายความร้อนนั้นเปรียบด่างไฟสามารถเผาผลาญสับนรกที่ถูกจับโยนเข้าไปให้มกไหมเป็นเถ้าถ่านไปในพริบตา สัตว์นรกนั้นเมื่อถูกจับโยนลงไปแล้วต่างก็จะดิ้นพ้าดด้วยความร้อนของเท่านรกนั้นแล้วร่างนั้นก็ดับสิ้นไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกจับโยนลงในที่เท่าอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้ทำไว้ท้าพยายามราชัชอาตมาขอถามหนอ่อยเถอะทำไมสัตว์นรกจึงได้มาเกิดในแดนแห่งนี้ล่ะ คุณเจ้าเออบุคคลที่มาตกระกรรมลําบากในแดนรกแห่งนี้ก็เพราะว่าเมื่อชาติก่อนชอบจับสัตว์อื่นนั้นมาหมกที่เท่าร้อนๆบางทีก็จับมาหมกเป็นๆก็มีเออไม่ว่าจะมกคนหรือมกสัตว์ด้วยความร้อนให้ตายอย่างละมานอย่างนี้จึงจะต้องได้รับผลกรรม มาตกนร ก, รกแห่งนี้ล่ะพระคุณเจ้าครับจากนั้นท้าพญายมราชก็ได้พาพระมลัยไปชมแดนนรกขุมอื่นต่อไปขุมนี้เรียกว่าคู่นรกในคู่นรกนี้เป็นอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ภายในนั้น มีกำแพงเหล็กใหญ่โตและขวางกั้นเต็มไปด้วยมูดคูดอันกว้างใหญ่ภายในคูดนั้นก็จะมีนอนตัวใหญ่ๆมากมายหลายตัวสัตว์นรกที่ตกอยู่ในนรกคูดนี้ก็จะถูกดนอนนี้ชอนชัยเข้าไปในร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นหนอนนั้นใหญ่โตมากมาย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 ต่อจากนั้นเท้ายมพบาลก็ได้พาพระเถระมาดูหม้อกระทะทองแดงใหญ่ท่อภูเขารูกมหือมามีน้ำทองแดงที่กำลังเดือดพ่านอยู่บนเตาไฟสัตว์นรกพูดตกเป็นเฉลยนั้นต่างก็ถูกจับโยนลงในกระทะทองแดงนั้นท่านพญายมราช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 บางพวกก็นำหอยปูปลาต่างๆต้มลงไปทั้งที่ยังเ ป, เป็นเป็นอยู่เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารเหล่านี้เป็นต้นพระคุณเจ้านรกขุมนี้มีชื่อเรียกว่าโลหกุมพีนรกพระคุณเจ้าเอ้ยเตอขอพระคุณเจ้าแต่โปรดเหลียวมองอีกด้านหนึ่งทางฝากนู้นนะครับนั่นนะครับ นั่นแหละก็เป็นนรกในโลหะกลุมพีนรกเช่นเดียวกันแต่สัตว์ประเภทนี้นอกจากจะต้องนอนบนแผันเหล็กที่ร้อนเป็นเปลวไฟแล้วก็ยังถูกเอาน้ำทองแดงนั้นกรอกใส่ปากหรือบางทีก็นำเอากรวดซึ่งเป็นกรวดนรกเป็นก้อนเหล็กร้อนๆกรอกใส่ปากเช่นเดียวกันทำให้ลาปากคอ หรือแม้แต่ถองของเขาก็ต้องร้อนผุ้พองแตกทลายไปที่สุดเออตายอยู่ในนรกเดี๋ยวนี้ตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ตายทรมานอยู่อย่างเนี้ยนับเป็นแสนปีก็มีล้านปีก็มีเออก็แล้วแต่เวรและกรรมของเขานั่นแหละจะหนักจะเบาแล้วก็บุคคลเหล่านี้ที่ต้องมากรอกน้ำทองแดงถูกกรอก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 ไปประหารชีวิตต่อผู้อื่นโอ้นับว่าเป็นผลกรรมดีน่ากลัวจริงๆถ้าเกิดเขาทำลงไปแล้วต้องมาตกในนรกขุมนี้พระกุณเจ้าครับได้โปรดพิจารณาดูเถิดน่าสลดสังเวรจริงๆเอออาตมาจะนำเอาสิ่งที่อัตมาได้เห็นในครั้งนี้นำไปบอกกล่าวแก่เมืองมนุษย์ให้เขามีความสำรวมระวัง เกรงกลัวต่อบาปต่อไปสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่พระคุณเจ้ามีจิตเมตตาจริงๆเออท่านครับขอนิมนต์ไปชมนรกกลุ่มอื่นต่อไปเถอะครับ